ก็ความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทท่าไหรแต่ลมงประพทธิยานในวันนี้ก็คงพูดเรื่องการในรูปการศึกษาต่อไปเพราะว่าจะเป็นภัยเป็นอันตรายต่อพระพุทธศาสนาแล้วก็ทราบว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่สิบเมษายนนี้เอง ก็เรียกว่าใกล้ๆสมการเข้าไปบรนจาพูธที่ทราบเรื่องเหล่านี้ก็วิตกกังวลกันคณะทำงานได้มีการพยายามสัมมนาและเปลี่ยนความคิดความเห็นกันมาหลายครั้งแล้วก็มีการประชุมใหญ่เนี่ยสองครั้งไหครับ ก็มีมัดิเห็นร่วมกันว่ามันจะต้องมีการเคลื่อนไหวที่จะต้องหยุดความคิดเหล่านี้เอาไว้หรือจะต้องปรับปรุงข้อความบางขั้นบางตอนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวพระราชบัญญัติเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้นะก็บอกว่าเป็นฉบับที่ร่างเบื้องต้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นแล้วก็บอกว่า สำนักปฏิรูปการศึกษาจะพิมพ์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายก็คล้ายๆแก่เตรียมตัวพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคคลที่มีความคิดเห็นเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกันคือไม่ไม่ได้หมายความมาต่อสู้หากล้างทำลายล้างอะไรกันแต่ว่าต้องการที่จะ หาสิ่งที่ดีงามที่สุดเนี่ยมาให้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะเมื่อประชุมเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการนำเสนอมติออกไปห้าข้อเลยกันแล้วก็ตั้งคำถามว่าเห็นชอบไม่เห็นชอบไม่ออกความเห็น แล้วก็ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็ผู้ตีเห็นชอบเนี่ยเรียกว่าก็เก้าสิบแปเปอร์เซ็นต์นนะในขณะเดียวกันก็มีความเห็นที่เสนอใหม่ออกมาเป็นจำนวนมากเพราะว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วมันไปเชื่อมโยงเชื่อมโยงกันมาเป็นแถวคือเชื่อมโยงมาจากรัฐมนตร แล้วถ้าเรามองย้อนในปกไกลกว่านั้น น, นนะฮะคือเรจะเห็นว่ามันแนวิกตัวนี้ที่จริงมันไปตรงกับมติบางอย่างในสมัชชาวติกันเขาสิ้นถูกคือของการประชุมของสมัชชาวติกันเมื่อปศสองพันหร้อยห้าถึงห้ารอยเจ็ดนะมันมีบางตอนที่บอกว่าในการจะเปลี่ยนแปลงชาวพุทธให้มานับถือาศาสนาคริสต์เนี่ย อย่างที่เคยทำมาในการก่อนนั้นไม่มีความจําเป็นอีกต่อไปแล้วแต่ภารกิจต่อไปก็คือการเปลี่ยนพระพุทธศาสนาทั้งศาสนานี่ให้มาเป็นคริสตศาสนามันแสดงถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันมันเหมือนกับการล้างสมองนะแต่ว่าการทําเคลื่อนไหวกันมาโดยลาดับแล้วก็ผ่านเอกสารถ้าเรานําเอกสารเหล่านี้มาเรียงเป็นมาตามลําดับปีนจะมีความชัดเจนว่า ส่วนใหญ่เนี่ยจะซึมมาจากวิชาการต่างประเทศที่มีการศึกษาอบรมกันในหมหาวิทยาลัยต่างๆของโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสหรัฐอเมริกาโดยคนที่ไปศึกษาไปรับมาเนี่ยยามทำให้นึกถึงดรพิญโยสาธรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยท่านเคยใช้ประโยคหนึ่งที่มันคมมากเือตอนบอก ว่าคนบางคนเนี่ยเขาส่งให้ไปรับมีดมาจากต่างประเทศแต่ว่าไปแบกขินมาคือมาความไปค็อกี้อะไรความคิดมาหรือไม่สารูมหลังของชาติต่างๆเนี่ยว่ามันไม่เหมือนกันคือโดยเฉพาะยิ่งคือโครงสร้างของอเมริกากับโครงสร้างของประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ละคนละโครงสร้างกันเลยแล้วเชื่อมต่อกันไม่ได้ ถ้าฟังลองจินตนาการดูสมมติว่านะฮะสมมติว่าเราไม่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณ์ไราสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ปล่อยสถาบันประมาทกรรษัตริย์ท่านรมของท่านมาโดยดําหนักเลมาถึงตรงนี้ก็เปลี่ยนแปลงแล้วแหละแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ามการความพร้อมคนเรามีการศึกษาแต่หลายกระจายออกไป ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องความไม่รู้ไม่มีปัญหาเรื่องความยากไร้ไม่มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บไม่มีการปัญหาเรื่องการวางแผนครอบครัวมากเกินไปแล้วการปรารากค ร, รกองของสถาบันประมากษัตริย์เนี่ยเราจะลืมมุมมอลของสถาบันประมากษัตริย์กับมุมมองของนักการเมืองนี่มันต่างกันเลยสถาบันประมาทกษัตริย์นั้นก็คือราษฎรของเราเรห็นมาท่านมองทีเดียวหมดประเทศเลย แล้วเราเองก็มีความรู้สึกว่าเป็นประสบนิกรของพระองค์มันเป็นความรู้สึกผูกพันกันอย่างนั้นแล้วก็ท่านพิสูจเ์ไดนบทบาทในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาสุดหนักที่ไหนเนี่ยก็ออกไปอยู่ขา้างหน้าปกป้องอนณาประชาราชัฐดรมีประมาทกษัตริย์บางพระองค์ต้องขาดลังช้างลงมาในการต่อสู้เพื่อปกป้องอาณาประชารัฐดอ แต่ระบบแนวประชาธิปไตยที่เราใช้เนี่ยเป็นระบบแบ่งแยกแล้วก็ใายจะคล้ายๆกับเป็นเอกภาพที่จริงมันไม่มีเอกภาพโดยธรรมชาติเลยแล้วฟั ง, งเคยสังเกตเนะว่าเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยนะผู้แทนรัษฎรเนี่ยผู้แทน ร, รัษฎรในวุฒิสภาก็เหมือนกันเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยแต่ว่าเวลาเลือกตั้งนั้นกําหนด เพราะคนต้องเกิดที่นี้คนต้องมีทํางานที่นี้มีธุรกิจที่นี้แล้วราชการอยู่ที่นี้ไม่น้อยกว่าถนันน้นถนนจึงมีสิทธิ์สมัครได้เวลาเขาสมัครนะ่ะไปจํากัดสิทธิ์ที่เขาไปจากัดขอบเขตเข า, เ, ขาเวลาเขาเป็นก็กระจายภารกิจออกไปแล้วใครก็จะสํานึกล่ะราษฎรในถิ่นอื่นเนี่ยมันมีคุณนบังคับอะไกับเขาอ่ะเขาไม่ได้เลือกเข้ามาเนี่ย คนเแสดงเห็นชัดเจนเวลาอภิปรายในสภาในชัดเจนนะว่าท่านไม่ได้มีความรู้สึกว่าท่านเป็นผู้แทนของกรุงเทพฯไทยแต่ผู้ถึงบ้านท่านผู้ถึงเขตของท่านผู้ถึงจังหวัดของท่านเป็นอย่างมากนะฮะแล้วลองสังเกตเอยลองเราไปเอาคอเทศมาฟังก็ได้นะนั้นแสดงว่ามันเป็นความขัดแย้งอยู่ในความคิดเนะี่ยแล้ว ก, ก็กลายเป็นพักนั้นพักนี้พวกนั้นพวกนี้ก็แบ่งแยกกันก็มีข่าวๆอย่างเงี้ยเห็นไหมมันมันไม่รู้สึกเป็นพวกเดียวกันน่ะ แล้วเวลาบริหารราชการแผ่นดินก็ขวายค้านก็ข้านอย่างเดียวแขวายรัฐบาลก็ว่ากันไปแล้วก็พลิ ก, กไปกลับมาอย่างเงี้ยผลท้ายมันก็กลายเป็นการทวงให้เกิดความราช้าเกิดความอึกอัดเพราะอะไรเพราะว่าสํานึกชาติมันต่ํากว่าสํานึกพวกสํานึกพักอยู่ต้องการแต่ตัวเองอยู่ได้พักอยู่ได้แต่ไม่ได้คิดว่าชาติบรนเมืองทํายังไงจะอยู่ได้ บ้งโครงสร้างของพระราชบัญญัติเนี่ยนะนี่ยเรไม่ต้องพูดละที่จริงมีทางวิจารณ์ได้เยอะนะะพออ่านแล้วนี่ก็บางทีก็นึกขำๆว่ามันอ่านกันหรือเปล่าเนี่ยที่เขียนเขียนเนี่ยอ่านกันหรือเปล่าตัวเป้งๆตัวผู้ใหญ่ที่ว่าเป็นกรรมการเก้าคนอ่านกันทุกตัวอักษรหรือเปล่าเข้าใจความหมายหรือเปล่าแล้ตัวเนี้หมายความว่ายังไงเพราะว่าทุกคนเขาว่าเขาเป็นนักนิติศาสตร์ทุกคนเดียวนะ น, อน้องนั้นเป็นนักการศึกษาเลยมาร่างกฎหมายเนะตลกดีไหมฮะเป็นนักการศึกษาแต่มาร่างกฎหมายไม่เขียนกฎหมายและเขียนกฎหมายเนี่ยในในความเป็นกฎหมายเนี่ยมันมีความเป็นตรรกศาสตร์มันมีความเป็นนิติศาสตร์มันมีความเป็นนิรุติศาสตร์หรือวพระหรืออักษรศาสตร์แต่คำแต่ละคำเนี่ยหมายความว่าเขียนคุณเขียนมาเนี่ยถ้าเรารู้เรื่องนิรุติศาสตร์ตรรกศาสตร์เนี่ย เราก็อ่านนิติศาสตร์ได้เพราะมันโดยโครงสร้างความคิดเนี่ยมันเป็นแนวเดียวกันคือสามารถที่จะสื่อสารด้วยภาษาที่นำไปบริหารได้นำไปบังคับบัญชาได้แล้วก็มีบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของการบัญญัติกฎหมายเหล่านั้นเพราะในนตรงนี้เราจะเห็นชัดเจนนะครับว่ามันไปขบกันอยู่เยอะเลย ต้องการที่จะปฏิรูปคือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์พัฒนาให้มันดีขึ้นนะปฏิรูปเนี่ยคือทำสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ขึ้นมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมตัดต่อทำได้เยอะแต่ ว, ตว่าพลิกห น, น้ามือเป็นหลังมือไม่ได้อนั้นมนเป็นปฏิวัติตัวนี้เราเห็นว่ามันไม่ใช่ปฏิรูปมันมีแน่ออกมาในเชิงี่ปฏิกูล มันจะเกิดปัญห า, าทับถมขึ้นในชาติบ้านเมืองโดยอาศัยการโดยใช้กฎหมายเนี่ยเราจะเห็นว่าปฏิวัติเนี่ยมันเวลาเนี้ยปฏิวัติด้วยอาวุธเนี่ยเขาเลิกกันแล้วฮมันจะมีการปฏิวัติโดยลายลาสสักอักษรคือกฎหมายลองสังเกตความเปลี่ยนแปลงในบ้านในเมืองเราเวลาเนี้ยที่จริงมันขัดแย้งกันนะคือรัฐต้องการประหยัดงบประมาณกนันดิบแล้วก็มีนโยบายที่จะไม่ผ่ืมขราชการ แตลืมไปว่าไปเลือกตั้งอาบต อ, อาบาจอกี่คนนะงบประมาณเท่าไหร่ปีหนึ่งเนี่ยมีเรื่องงานเท่าไหร่ตำบลเล็กๆ เ, เ, าาเนี่ยอบตในตำบลมันเล็กๆมีกำนันมีผู้ใหญ่บ้านมีแพทย์ประจำตำบลมีผู้ช่วยกำนันมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเยอะแล้วนะคนห้าหกคนเกือบรวมรวมสิบคนนะแต่จะว่าคนขนาดนั้นมันเยอะแล้วมันไม่มีงานอะไรอะ่ะ แล้วไปสร้างอบอตอ ะ, อะไรขึ้นมามีโอ้ยต่อไปก็ขออนุมัติอาคา ร, รฐานที่วัสดุอุปกรณ์งบประมาณค่าเบียบเบี้ยการประชุมอะไรอะไรเยอะแยะบอกว่าจะลดจํานวนข้าราชการแต่ไปเพิ่มข้าราชการและยังไม่รู้ว่าตัวเองเพิ่มพยายามเลยคุมงบประมาณเงินเดือนในหะ้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะแต่เมื่อเพิ่มมาตรกําลังนไปมันก็ไปการเพิ่ม ที่จริงงานเนี่ยถ้าเราดูงานราชการเนี่ยมันบางบางจุดเนี่ยไม่เคยคุ้มเคยพูดเล่นๆกับเลขานุการรัฐตําแหน่งกระทรวงมหาไทยบอกว่านี่กระทรวงมหาไทยเนี่ยลดการาชการอ่ะสามสิเปอร์เซ็นไม่ได้เลยมันรู้สึกเอถ อ, อนทะ่านเหลือเกินเน่ยมันแน่นไปหมดเลยถ้าบริหารได้ถ้าลดได้มันน่าจะกล่องตัวขึ้นถามมาลดได้ไหมถามจริงๆอนะากีบก่บริษัทจริงลดได้ นั่นคือสิ่งที่เราจะเห็นว่าแนวตรงนี้ก็เหมือนกันมันทําให้งานมันลาช้านะมากหมอมากกว่าเห็นไหมว่าบ้านเมืองจริงๆมันอยู่ที่การนําซึ่งมีประสิทธิธภาพ ค, คนไม่ต้องมากมันขวางมือขวางเท้านะคนมากๆอะ่ะทํางานกีก่กะพวกเรายุ่ยเยี่ยมไปหมดลองลองดูเวลาเขาไปเปิดงานอะไรนีมันเหมือนกับแฟชั น, น่นเละเปิดงานนาะยกรัมรีไปเปิดงานรัมดีเปิดงานคนเต็มเป็นร้อย ไปยืมอัด ก, กันเยอะงานการก็ไม่ทำเสร็จแล้วก็พอเขาปล่อยตัดลูกโปง่งริบบิ้นลูกโปง่งลูกโป่งลอยก็ปลบมือลูกโปง่งแล้วสรงยิ้มให้ลูกโปง่งไม่ว่าอะไรกันคือสูญเสียเวลาทําลายคุณค่าของชีวิตแล้วผลท้ายนี่คนไม่รู้เนี่ยมันจะกลายมาเป็นตัวถ่วง ล, วลองสังเกตเนะว่าคณะกรรมการากกองค์ประกอบของคณะกรรมกา ร, กรที่เล่าฟังในวันก่อนไม่มีคนรู้เซึ่งาศาสนาเลยกี่คน เดี๋ยวมาใส่ไว้นะฮะรู้เรื่องว่าแต่ลมตะกิ้คนเรื่องศิละปะที่ลึกซึ้งถึงจิตวิญญาณเนี่ยมีตะกิ้คนเราจะลืมงานในประเทศไทยเนี่ยองค์กรในประเทศไทยสี่องค์กรนี่ยนะฮะเป็นเรื่องจิตวิญญาณ น, นะคนคนหนึ่งจะไปแตกฉานหมดทุกเรื่องเนี่ยไม่ได้เาศาสนาในอย่างเดียวเราก็แย่แล้วนะใจะลึกซึ้งแตกฉานในาศาสนาอย่างเดียวเนี่ยอาการหนักแล้ว ศิลปะนี่มันรุ่องจิตวิญญาณมีจินตนาการบันเทิงเพลิดเพลิงนะะสามารถตีถ่ายทอดออกมาเหมือนกับมีชีวิตได้เห็นใบอย่างพระพุทธจินนาาดเนี่ยเหมือนกับเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้นานะมีพลังเคยมาดูพระพุทธจินนาลาดทางพิโนโลกเขาเล่ากวางกันอยู่เป็นวันเนี่นะ ดันขยับจุดถอยหลังเหยียวเอียดไปสั่งซ่าเอียงไปต่างฝ่ามองวระพักตลอดอ่ะถอยจนมาออกมานอกบกบสถ์มันดูมันมันรู้สึกว่าสื่อสารติดต่อกันได้เห็นใบจิตวิญญาณของศิลปะแล้วว่าตานพันก็เหมือนกันอ่ะมันเรื่องจิตวิญญาณที่มีความลึกซึ้งมีแรงบันดาลใจสูงมีความสงบเย็นมีความเป็นนิ่แล้วก็เสียสละพวกนี้ไม่เห็นแก่ตัวนะฮะพอเข้าถึงแล้วจะไม่เห็นแก่ตัว มันก็เหมือนการศึกษาการศึกษาเราเจ็นว่ายิ่งยิ่งเรียนยิ่งโลภเลยและเอกลักษณ์แห่งชาติหน่วยงานสี่องคอ์กรเนี่ยนะสี่องคอ์กรนี้ต้องมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ผู้ที่มีจิตวิญญาณด้านนี้เท่านั้นถึงมาจบถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่รักไม่ถนอมไม่พยายามที่จะศึกษาเอาลองลอ ง, ลองดูมหาราชในดีของเราสองพระองค์ เอาให้เป็นหน้ายดีสวนด้วยกันนะตลอดถึงพอกคุณยามนะฮะแล้วเราไปเกต ด, ดูเถอะท่านหลงนี้ผูกพันกับวัดมากผูกพันกับพระมากเป็นลูกศิษย์ของพระแล้วก็พระเจ้าตากสินหลงพ่อยอดฟ้าเนี่ยเป็นเด็กวัดด้วยเป็นสา ม, มเณรด้วยแล้วก็เป็นพระมาด้วยเพราะคุณอุปการศรา ส, สนานเนี่ย ลึกซึ้งมากในพระไตระอโปรสิ่งที่ทรงแสดงให้เห็นถึงว่ามีความรักผูกพันกระรบเ ท, ทุนเราศาสนาเนี่ยคือจากคำกรนที่เขาบอกว่าน้ำพระไตรก็ไระเจ้าตางสิน ม, มาลัยอยู่ที่อนุสาวรีที่วัดรุนราชวรา ม, มันเป็นการคัดลอกขึ้นมานะคัดลอกจากที่จะลึกไว เอาไมา้เราอ่านกันเขียนไว้ว่าอันตัวพ่อชื่อว่าประยาตากตนทุกยากู้ชาติระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแ ด, ด่ศาสนาสมณาพระพุทธ โ, โด陀ให้ดำรงค ง, งทั่วห้0พันปีสมณาพราหมณชีปฏิบัติให้พอสมสมถะวิปัสนาพ่อนิยมถวายบังคมรอยบาทระศาสนา คิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราศาสนาฝากไว้คู่กันเห็นไหมว่าท่านกู่ชาติเพื่อถาวายพระพุทธเจ้านะถามว่าอะไรละ่ะตอนนั้นจะกู่ให้ใครถ้าไม่เป็นร่นดินท่านเป็นข้าราชการ แล้วจะกู้ถวายพระเจ้าแผ่นดินแล้วทวงบ้านูหลวงก็พังไปแล้วจะกู้ไชาติเหรชาติมันก็แตกเป็นกบไปแล้วกรุมศีอยยาก็แตกแล้วพระศาสนาพระเองบมิการพระปราดากาบประความก็ออกกล้างเป็นกกขึ้นมากกอีกด้วยมันมีคนเดียวแตนั่นเองคือพระพุทธเจ้ามันกู้ถวายพระพุทธเจ้าเลย และทำไมประสบความสาเร็จมันสร้างเอกภาพได้ยอดเยี่ยมที่สุดคือพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนเป็นพุทธศาสนิกทุกคนก็รกับนัองถือเท่าทูลพระพุทธเจ้าทุ่มเทชีวิตสละชีวิตเพื่อทํางานเป็นพุทธบูชาได้แล้วประสบความสำเม็จอย่างอัศจรรย์ที่เรียกว่าเราบางทีเราก็หาคําตอบได้ยากนะ แล้วไม่ต้องเอาอะไรแล้วว่าถามว่าพระเจ้าตากเนี่ยเดินทับจากเมืองจันท์มาทด้ายางไงมาเข้าถึงป้อมแล้วมาตีไข่ของพมา่าสองสามไข่แต่กระเจอกจอระเจงไปโดยพม่าไม่รู้นะว่ามีกองทัพที่มีกำมังพลตั้งห้าพันเนี่ยแล้วก็ยกเป็นกองทัพเรือมาพม่าไม่รู้อันั้นก็แสดงว่ามีความยิ่งใหญ่มาก แน่นอนว่าวิรชนนิรนามก็คงจะปนอยู่เยอะนะแต่ศรีตาสายมาจะมีชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยคงช่วยเยอะแอบเปลี่ยงเบนใส่พวกพม่ากออกไปตอนนั้นก็คือแสดงให้เห็นถึงว่าตรงสี่นึกถึงคุณนูปการของพระพุทธศาสนาจีงได้ออกมาในรูปที่บอกว่าคิดถึงกู้แผ่นดินถวายเป็นพุทธบูชา แล้วประเด็นที่น่าน้อยใจก็คือว่าแผ่นดินเนี่ยกูก้ถวายพระเนี่ยอะไรก็ทำที่วัดถวายกา้เป็นของพระทันทีเลยหรือว่าศาสนาทันทีเลยแล้วก็อยู่ในสภาพจะเรียกว่าตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหมอย่างเกมเกมการเมืองในสนามกอล์ฟอันภทยเนี่ยจริงๆมนเป็นเกมการเมืองนะฮะแต่ว่ามันก็ได้บอกให้เห็นว่าที่ธรณีสูงนั้น แม้ไม่ถวายเป็นกิจลักษณะแต่ให้มีพยานได้รู้เห็นพูดด้วยปากเนี่ยก็ถือว่าเป็นของทรงแล้ววันแผ่นดินเนี่ยพระเจ้าตากสินกู้ถวายพระพุทธเจ้าไว้แล้วจนป่านนี้เน่ยยังไม่มีใครมาถ่ายคืนต้องรู้ไว้เราอาศัยอยู่ในแผ่นดินของพระพุทธเจ้าแล้วคนที่อาศัยแผ่นดินพระพุทธเจ้า ตั้งแต่บรระชนมามาล่างพระราชบัญญัติเพื่อทำลายความดีงามของพระพุทธศาสนาองค์กรศาสนาอย่างน้อยริดรอนจิติเสรีภาพแต่ถ้าเรามองมาจากรัฐมนูลจะเห็นชัดเจนนะว่ามันรุนแรงในมาตราที่เจดสิบสามเนี่ยเอาศาสนิกที่มีคนแค่สองพันประคนเองมนมีสักสีเท่ากับศาสนิกซึ่งมีคนดังห้าสิบกว่าล้าน เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศถึง 94.05 เปอร์เซ็น์ทำได้ยังไง่ะคนเราอาศัยแผ่นดินพุทธภูมินะเราเองก็อาศัยแผ่นดินของพุทธเจ้าเรื่องนี้หนักะเอาไปให้ฝาลังเช่าผาลังซื้อเสียเยอะแยะนั่นสมมตคนตรงนี้มันต้องมีมนุษย์ต้องมีประวัติศาสตร์มีภูมิหลัง เราต้องภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ต้องสํานึกคุณของประวัติความเป็นมาของตัวเองเพราะนิริตาศีน้แสดงให้เห็นว่าท่านภุพันกุศาลนาสละชีวิตเพื่อกู้แผ่นดินถวายเป็นพุทธานาจักเป็นนาจักของพระพุทธเจ้าที่จริงมันชอบแล้วนะะที่จะตั้นเป็นสํานักอาวุธศาสนาแห่งชาติขึ้นมาเพราะนี้คือแผ่นดินเป็นพุทธภูมินี แต่วันนี้ใครจะถ่ายก็ไม่ได้แล้วนะ ม, มันแพงกันทั้งประเทศนะประว่าติศาสตร์ของเราเนี่ยพระนารายณ์มาราศเนี่ยท่านเคยถวายในาลายด้าจินิเวศแก่คน่าสงเพื่อให้เป็นวัดนะฮะจะได้เข้าไปบวชคาราจบริพารที่ถูกล้อมอยู่ข้างนอกเนี่ยต่ขอข้างนอกล้อมไว้นะพระเพชราชาคุณหลวงศรศักดิ์ลอมไว้แต่กลัวป่วนปวนอันนี้จะถูกฆ่าก็มีมนพระไปบวชก็กลายเป็นวัดไปโดยก็ดันที แล้วจากบัดนั้นเป็นต้นมาในลายราชินีก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่กล้าก็ไม่กล้าเข้าอยู่กุมบัญญัติและเกิดบริยานไม่ไหววังก็ไม่กล้าไปอยู่นะเพราะเป็นวัดไปแล้วผ่านเวลามาจนถึงยุคสมัยรัชกาลที่สี่องค์รัรนตนโกสินทร์นี่จึงผาติกรรมเพราะว่าทรงรู้เรื่องวินัยนะผาติกรรมในการสร้างวัดถวายพระพุทธศาสนาใกล้กันแนละ้วรายราชินีก็กลับมาเป็นของ เราจะสานักแต่ประเทศไทยยังไม่มีการทำเลยบนเวนีประเทศไทยถ้าว่าตามหลักความเป็นจริงมันอยู่ในครอบครองของพอ ม, ม่ามุสอสัมพัน์สามร้อยชิดเขาจะตากศีมาราศพโดยทหารกล้าของพระองค์กู้ถวายพระพุทธเจ้าไ้แล้วพระพุทธยอดฟ้าซึ่งก็อยู่ในกระบวนการกาติ ก็ได้แสดงปณิธานเอาไว้ว่าตั้งใจอยู่ประถมภพยอ ย, ยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันนศีมารักษาประชาชนและมนตรีทําไมท่ารักศาสนาทัานทุ่มทุนศาสนาท่านทำเพื่อศาสนาเพราะาท่านมีความเจริญก้าวหน้าเนี่ยสํานึกเชื่อมโยงอยู่กับพระพุทธศาสนาแต่คนเป็นกันมากเนี่ยจะเรียนจบไปยังไงปตาเนี่ยเมื่อคุณไม่ผ่านการศึกษาไม่ผ่านการประพฤติธปฏิบัติไม่ได้สัมผัสผลดีงานจากศาสนาแล้ว ยากที่จะสํานึกคุณพระพุทธศาสนานึกจะทำไปยึบยำยังไงก็ได้นึกจะเอามาปฏิรูปศาสนามีใครเขกล้าทำอะ่ะก็ปฏิรูปศาสนาปฏิรูปวัไนธรรมมีใครเขกล้าทํานอกจากพกเรียกการเร ก, การมันก็มากไปหน่อยนะปฏิวัติเขาไม่ทําการปฏิรูปศาสนาวัฒนธรรมเนี่ยศิละปะกรรมเนี่ยเขาไม่ก็ไม่ปฏิรูปกันหรอกมันเป็นสิ่งที่จะต้องอนุรักษ์ แต่วิช า, าการศึกษานะั้นเป็นเรื่องก้าวหน้าจะต้องมีการไปรูปเะบางทีนะ่อาจจะต้องปฏิวัติด้วยเท่าไปรเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับยุคสมัยะไปเน้ น, ะปนไปที่เศรษฐกิจเป็นหลักนะแต่ว่าศาสนานั้นมันเน้นไปที่สังคมเป็นหลักฉะนั้นความขัดแย้งตรงนี้จึงต้องมีการแก้ไขโดยอาศัยพระราชบัญญัติเกี่ยวกับปรปุงพระราชบัญญัตินั้นก็ต้องฝั่งทั้งหล แต่วงพมอพิธีน์ในวันนี้ขพอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไปบุญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี